ถึงพวกเราไม่ต้องบอกนะตมาก็รู้แน่พวกเราดีใจนะที่มาถึงนี่ดีใจตั้งแต่ตอนนะ่ะเห็นตอนเลี้ยวค้งมาแล้วก็เห็นนะสถานที่ตรงนี้นะว่าใช่แนนะ่เพราะบางคนอาจจะคิดว่าไอ้ตรงสำนักงานเคตรักษาประสาทป่าม่นเป็นจุดหมาย จะพาะเห็นคณะเดินผ่านเลยไปก็ใจแป้วนะแต่พอเดินผ่านไปอีกเจ็ดร้อยเมตรนะเราเลี้ยวมาเลี้ยวโค้งมันก็เห็นใต้ธรรมญาติราเนี่ยอยู่หลังอัตมาเนี่ยเราก็แน่ใจว่าถึงที่หมายแน่แล้วความดีใจมันก็อปรากฏขึ้นเราก็สมควรดีใจนะเพราะว่า การที่จะมาถึงที่นี่ง่ายมไม่ใช่เรื่องง่ายงเลยโดยเฉพาะคนที่มาร่วมธรรมยารตาตั้งแต่วันแรกนะหรือว่าตั้งแต่คืนวันที่สามสิบจาบประสบการณ์ที่ผ่านธรรมยานตามาสิบเก้าครั้งก็บอกได้เลยว่าธรรมยานตาครั้งนี้เนี่ยเข้มข้นมากทีเดียวนะเข้มข้นทั้งในแง่ของความยากลาบาก ถึงแม้ว่าจะไม่มีการขึ้นเขาลงห้วยแบบทุลักทุเลเหมือนกันทํามยัตราบางครั้งแต่ว่าความยากลาบากของครั้งนี้ก็ไม่ได้ยิ่งจอดไปกว่าครั้งกันก่อนแล้วก็บางแง่ก็มากกว่าด้วยเดยเพราะการที่ต้องเดินท่ามกลางแดดที่ร้อนนะแสงที่แผดเผานะ ร่างกายของเราแล้วก็อาจจะบางครั้งก็แผดเผานะ่นจิตใจของเราแต่ว่าจิตใจของเราก็กล้ากล้าแกร่งพอนะที่จะไม่ยอมแพ้แพงง้ง่ายๆจนกรทังแสงอนาะทิ่์ก็ต้องอ่อนแรงไปเองอย่างที่เราได้ประจักษ์ด้วยสายตานะะเมื่อวานตอนเย็นสรรมราครัาข้างนี้ต้องเรียกว่า เจอแดดเข้าไปเต็มที่เลยนะเรียกว่าทุกวันเลยที่อนกรเนี่ยก็จะมีเมฆนะคอยบดบางแสงอาทิตย์ให้เราบางครั้งก็เป็นวันๆเลยแต่คราวนี้นี่เรียกว่าเมฆไม่รู้หายไปไหนนะเราเจอกับแสงแดดเต็มที่นะตั้งแต่เชา้าวันแรกก็เพิ่งมา บ่ายวันนี้แลนะหน้าที่เราได้เดินใต้เงาเมฆเกิดลตลอดบ่ายเลยแต่ก็การที่เราได้เจอแดดเข้าไปเต็มที่เจอความร้อนเข้าไปตลอดเกิดมาตลอดเส้นทางเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นรสชาติของธรรมยาติตาจริงๆก็ถือว่าเป็นโชคดีนะเพราะว่าบางปีนี่ ผู้เดินนีไม่ค่อยได้สัมผัสกับรสชาติแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าธรรมิกตาคนนี้นะสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปซึ่งกน่าเสียดายนะคือความหนาวนะความหนาวแทบจะไม่ได้เจอเลยนะเจอแต่วความเย็นนะความหนาวไม่มีอ่าปี ก, ก่อนนี่โดยเพราะชา้าวาสุดท้ายเนี่ยนะเราจเจอความหนาวบางปีก็จเจอ ในช่วงสองสมวันสุดท้ายนี่เชื่อว่าหลายคนก็คงเตรียมเสื้อหนามาเยอะนะแต่แว่าก็ไม่ไปได้ใช้แต่ก็ไม่แน่นะปู่ตู่บอกว่าจะหนาตั้งแต่วันที่หกนะนี่ก็วันที่เจ็เข้าไปแล้วอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้นะความเคลื่อนพจนีอย่างหนึ่งนะก็คือความงดงามของสถานที่ ธรรมยาตานี้หลายปีหรือปีแล้วปีแล้วเนี่ยพาพวกเราผู้เดินไปเจอกับ Amazing บ้าง unseen บ้างหลายแห่งซึ่งหลายที่หลายคนก็ไม่เคยเจอแต่ว่าก็สามารถจะบอกได้ว่าในปีนี้เราก็เจอเราได้ประสบสัมผัสนะกับสิ่งที่เป็น Amazing ที่เราว่าไม่้อยไปกว่าปีก่อนๆเลย แล้วจะพูดถึงง่ขความความงดงามของธรรมชาติอันเรียบง่ายนะที่ใสซื่อบริ ส, สุทธิ์แล้วก็ไม่ปรุงแต่งเนี่ยอนะันปีนี้ก็ถือว่ า, าติดอันดับเลยนะอันดับต้นอันดับต้นเลยละนะแล้วก็เราไม่ได้เจอแค่ครั้งเดียวเราเจอสองครั้งนะคือได้ค้างแรมทั้งที่สะพุงเหนือนะอยู่ข้างลำสะพุงแล้วก็ คืนนี้เราก็มาค้างแรมอยู่ใกล้ๆกับรันน้ำชีนะซึ่งเป็นต้นน้ำด้วยไม่มีนะไม่มีธรรมญา ต, ตาครั้งใดที่จะให้โอกาสกับเราได้มาได้ประสบกับได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้อย่างที่ได้เล่าไปเมื่อวานเมื่อวันสืนว่าเนี่ยอาจจะเคยพักแรมอยู่ริมห้วยนะ เชิญที่บ้านพอประจักษ์ปี57หรือว่าพักแรมอยู่ใกล้น้ำตกตาดตนแต่ว่าคุณภาพของสายน้ำทั้งสองแห่งเนี่ยมันก็ต่างจากที่นี่มากรวมทั้งที่สะพุงเหนือด้วยอันนี้มันเป็นป่าต้นน้ำจริงๆแล้วก็เราก็ได้สัมผัสกับต้นน้ำนะที่ออกมาจากป่า ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เนี่ยน่าจะไม่1้0นะแต่ก็เรียกว่า9กเาเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันก็มีบางส่วนที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปจัดแปลงหรือแม้กระทั่งไปทำลาย <c oughs> ก็ไม่แน่ไม่ไม่แน่ใจเลยนะว่าพวกเราหรือธรรมญาตราครั้งต่อๆไปเนี่ยจะได้มีโอกาสมาสัมผัสรบรรยากาศแบบนี้ อีกหรือเปล่าเพราะการที่จะสัญจรมามาไกลถึงเพียงนี้นะที่อำเภอหนองบัวแดงนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็แค่นะจาริกแปอมอำเภอใกล้นะใกล้ไกลที่สุดที่ผ่านมาคืออำเภอผูเขียวแต่คราวนี้เรานะ เ, าเรียกว่าใจกล้านนะพาเกษตรสมมูรณ มาถึงน้องบนแดงเลยก็อยากพวกเราได้จดจำนะความเข้มข้นของธรรมยัตราทั้งนี้ความยากลำบากแล้วก็ความสวยงามนะซึ่งในแง่หนึ่งมันก็เป็นรางวัลให้กับพวกเรานะที่ได้อดทนได้ฟันฝ่าความยากลำบากมาพวกเราก็โชคดีกว่าเพื่อนๆหลายคนนะ ที่เราได้มาถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดมีเพื่อนหลายคนนะอาจจะเป็นร้อยเลยก็ได้ที่มาร่วมเดินทางกับเราแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะเดินนะร่อนแรมมาจนถึงที่นี่จุดนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามี ภารกิจที่ต้องทำบางคนตั้งใจจะมาให้ครบแต่ว่าได้ขา่าวอยากู่ใหญ่เสียชีวิตต่องไปงานศพต้องไปร่วมพิธีศพหรือบางคนก็เจ็บป่วยนะจนต้องอลาหรือออกจากขบวนกลางคันอันนี้ก็หลายคนอยู่อย่างแล้วก็ตามเนี่ย ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงนะจุดหมายเนี่ยไม่ว่าจะถึงจุดหมายหรือไม่ก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญอยู่ที่ความภาคเพียรพยายามนะ <c oughs> โดยว่าถ้ามองจากมุมมองจากพุทธศาสนาเนี่ยความพยายามเป็นสิ่งสำคัญที่สุดะ <c oughs> จะบรรลุผลหรือประสบความสาเร็จหรือไม่นะ <c oughs> เป็นเรื่องรองแต่ว่าขอให้เพียรพยายาม อย่างเต็มที่ซึ่งหลายคนก็ได้พยายามนะระหว่างที่แม้เขาจะมีโอกาสมาร่วมเดินได้แค่สองสาวันแต่เขาก็ตั้งใจเดินแล้วก็ไม่ได้เดินแต่ตัวนะเขาเดินด้วยใจเลยเดินด้วยใจเป็นการเดินที่มีคุณภาพแม้ว่าจะไม่สามารถจะมาถึงจุดหมายอย่างพวกเรา คุณภาพนี่มันสำคัญกว่าปริมาณนะนทางพุทธศาสนาเนี่ยจะให้ความสำคัญกับตรงนี้มากเช่นคนที่มีอายุยืนยาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านจะให้ความสาคัญกับคุณภาพของการมีชีวิตคนที่อายุร้อยปีนะแต่ว่าไม่น่าสรรเสริญเท่าคนที่ แม้มีอายุเพียงแค่วันเดียวนะสมมุตินะแม้จะมีอายุเพียงแค่วันใดีแต่อยู่ยังมีคุณภาพแน่นอนนะมันก็ไม่มีใครนะที่อยู่ยังมีคุณภาพในเวลาหนึ่งวันเพราะว่าใจต้องใช้เวลามากกว่า น, นั้นหมายความว่าแม้จะอยู่ถึง100ปีนะแต่คุณภาพของชีวิตนะไม่ดีสู้อายุแค่20ปี30ปีหรือว่า15ปีแต่มีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตดีนี่ก็หมายถึงการที่มีคุณงามความดีหรือสร้างสรรค์คุณงามความดีรวมทั้งการรู้จักฝึกจิตฝึกใจให้มีคุณภาพตามหลัก3ประการที่พระเจ้าได้ตัดแวนโอตในโอวัตภัตปฏิโมงการไม่ทําบาป ท, ทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการชาระ จ, จิตของตงัวให้ขาวรอบซึ่งผูด ยอๆเหลือแค่2นะคือการทำดีกับการทำจิตอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตปริมาณหรือความยืดยาวของอายุนะอันนี้ไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพของชีวิตคุณภาพของจิตใจและความประพฤติชั้นไหนก็ชั้นนั้นเนี่ยนะในการเดิน แม้ว่าเราจะเดินมาได้นับแสนแสนเก้านะเริ่มจากจุดแรกเนี่ยคือสองแสนกว่าเก้านะประมาณสองแสนสองนะที่เราได้เดินมาตั้งแต่วัดภูเขาทองมาจนถึงตรงเนี้ยนะอันนี้ก็ถ้าเดินมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งนะแต่ว่ามันก็ไม่แปลว่าคนที่เดินน้อยกว่าเนี่ย จะจะไม่มีความสำคัญเพราะว่าแม้จะเดินน้อยกว่านะแต่เดินอย่างมีคุณภาพนะมันก็ย่อมดีกว่าเดินมาเป็น20000 0 0 0 0 0หรือว่าเป็นล้าน9นะแต่ว่าการเดินนั้นเนี่ยนะเป็นการเดินด้วยใจที่ฟุ้งล่องลอยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะใจที่ เอาแต่บนกลดาแสงอาทิตย์หรือว่าทางที่ไกลหรือว่าเดินมาได้เป็นสอง0สนสามสเก้าตัวมาถึงก็จริงแต่ว่าใจเนี่ยน ะ, ะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะบางคนเดินเพียงแค่ครึ่งวันนะแต่ว่าเขาได้เรียนรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับตัวเขาเอง หรือเกี่ยวกับความเป็นจริงนะทั้งที่อยู่ในตัวเขาแล้วก็อยู่รอบตัวเขาเดินธรรมยาตาเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้แล้วตั้งแต่วันแล้วครับเราไม่ได้เดินด้วยกายเท่านั้นนะเราเดินด้วยใจซึ่งหมายความว่าไม่เพียงแต่จะให้ตัวถึงจุดหมายเท่านั้นนะแต่ว่าใจก็ต้องถึงธรรมด้วยนะ เราไม่ได้เดินเพียงแค่ให้ตัวเนี่ยมาถึงจุดหมายนะแต่ว่าสำคัญกว่านั้นคือใจเนี่ยถึงธรรมหรือว่าเข้าถึงธรรมะเข้าถึงธรรมนี่ก็อันนี้ก็ได้พูดมาตลอดตั้งแต่วันแรกนะคือการได้เข้าใจนะถึงความสุขที่ประเสริฐการที่ได้เห็นความสำคัญของสุขที่เรียบง่ายซึ่งช่วยทำให้ การอยู่แบบเรียบง่ายเป็นไปได้เขาถึงทำโราถึงการที่รู้จักวางใจให้อยู่กับปัจจุบันนะจุดหมายแม้จะยาวไกลนะแต่ใจก็อยู่กับปัจจุบันันะรู้จักเปิดใจเรียนรู้ธรรมมาจากสรรพสิ่งและรับความสุขนะจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ในที่สำคัญไม่น้อยคือการที่มีใจห่วงใยเอื้ออาทรธรรมชาติสานึกในบุญคุณของสรรพสิ่งา ก, การเดินของเราช่วยทำให้เรามีใจอ่อนน้อมต่อธรรมชาติสานึกในบุญคุณของสรรพสิ่งอย่างที่เราได้าภาวนากันทุกเช้าก็ถือว่าการเดินของเราเนี่ยไม่สูญเปล่า เราจะไม่ใช่แค่เดินแล้วเหนื่อยเปล่ า, ลาหรือว่าทุกฟรีฟรีทุกเพราะเจ็บปวดทุกเพราะเมื่อยทุกเพราะลำบากทุกเพราะหิวโหยในเมื่อเรานะพาตัวมาเจอความลำบากเจอความทุกข์ยากก็ควรจะได้อะไรกลับไป ิ่งที่เอากลับไปนี่ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ก้อนหินกลางแม่น้ำกลางสายน้ำไม่ใช่เมล็ดพันธ์แปลกๆที่เราเห็นระหว่างทางแต่ว่ามันคือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองถ้าเรารู้จักตัวเองดีขึ้น ได้เห็นสกายภาพตัวเองได้พบว่าเรามีความสามารถกว่าที่เราคิดเราสามารถที่จะทำสิ่งยากให้สาเร็จได้ขอเพียงแต่ใจสู้หรือว่าเราสามารถจะพบในะความสุขท่ามกลางความทุกข์ลำบากกายนะแต่สุขใจ ดีกว่าสบายกายนะแต่ว่าใจเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยได้ง่ายคิดแบบนี้นี่การการเดินของเราเนี่ยหรือว่านะความทุกข์ของเราความยากลำบากของเรานี่มันจะไม่สูญเปล่านะมันจะให้ผลตอบแทนเป็นรางวัลที่งดงามลองถามตัวเองนะว่าเมื่อเรามาถึงตรงนี้เนี่ย แล้วเรามีความดีใจเนี่ยถามว่าเราดีใจเพราะอะไรเราดีใจเพราะการเดินทางหรือการเดินธรรมญตา ม, มันจะได้สิ้นสุดสักทีหรือว่าเราดีใจเพราะเราทำได้มันต่างกันนะความดีใจที่เกิดขึ้นเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยดีใจเหมือนกันแต่ว่า เหตุผลอาจจะแตกต่างกันบางคนดีใจเพราะว่ามันได้จบสักทีนะไอ้ความลําบากถ้าดีใจแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเออดีใจที่การเดินธรรมยาตามันจบสักทีแต่ถ้าดีใจเพราะว่าเราไม่เคยนึกเลยนะว่าเราจะทําได้วันแรกตั้งแต่วันแรกและสองวันแรกเราก็ท้อแล้วไม่ไหวไม่ไหวแต่สุดท้ายเราก็ พาตัวเองพากายและใจมาถึงตรงนี้ได้ยีใจว่าเราทำได้มันทำให้เกิดความภาคภูมิใจใเกิดความภาคภูมิใจและทำให้เป็นต้นทุนนะที่ทำให้เราสามารถจะทำสิ่งยากๆต่อไปในอนาคตได้หรือว่าสามารถที่จะเผชิญกับความยากลำบากเพื่อแลกกับสิ่งที่ดี หรือยาลำบากเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าดีใจเพราะว่าเออต่อไปนี้ต่อไปนี้มันจะได้ไม่ลำบากสักทีความทุกข์ยากจะหมดไปสักทีอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเรารับรู้แต่เพียงแค่ความทุกข์ที่ได้เดินธรรมญาตาิตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเมื่อการเดินยุติเราก็เลย ดีใจที่ความทุกข์มันจะหมดอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ประโยชน์น้อยนะจากธรรมยถ า, ตาแต่ก็เชื่อว่าประโยชน์ก็มีแต่ยังมองไม่เห็นเพราะว่าประสบการณ์หลายอย่าง<ม>เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราบางครั้งเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเจ็บปวดและเราขับแค้น จนกระทั่งไม่อยากนึกถึงนึกถึงที่ไรก็ขับแค้นบางทีก็ร่ำไห้เสียใจแต่ว่าพอเวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยนะกลับทราบซึ้งในเหตุการณ์แล้วขอบคุณตัวเองที่ได้เผชิญกับเหตุการณ์เหลอนนั้นอัญญาประมวลเนี่ยเคยเล่าว่าสมัยที่ไปอยู่อินเดียเนี่ยเพื่อไปเรียนหนังสือเนี่ยจนจบปริญญาเอกสิ 10ปีได้มั้ง11 บ, บปีมีความทุกข์ทรมานมากนะเจอกับเหตุร้ายๆเจอกับคนที่ไม่ดีมากมายทำให้เกิดความขับแค้นขมขื่อบางช่วงบางตอนก็ถึงกับร้องไห้เมื่อสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกนะกลับมาเมืองไทยก็ตอนนั้นก็เรียกว่าถ้าพูดแบบชาวบ้านคือสาปส่งนะ สัปส่งอินเดียก็ไม่คิดจะกลับไปอินเดียอีกแต่พอเวลาผ่านไป 20-30 ปีเนี่ยเมื่อมองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ที่อินเดียครั้งนั้นเนี่ยมันมีแต่ความซาบซึ้งประทับใจตอนนั้นเนี่ยร้องไห้เพราะความขมขื่นทับแขนเสียใจแต่ พอย้อนระลึกนึกถึงน้ำตาคลอนะเพราะว่าประทับใจขอบคุณขอบคุณอินเดียที่ได้มีส่วนทำให้ท่านเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และนด่นคือเกิดผลที่ท่านทำตัดสินใจนกลับไปอินเดียอีกครั้งนึงเพื่อใบบูชาคุณไปด้วยใจที่นุ่มนวลอ่อนโยนคือพร้อมที่จะ ยอมรับทุกอย่างที่เป็นอินเดียนะจะยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขเลยเพราะว่าซาบซึง้งนะในทุกสิ่งที่เป็นอินเดียพพวกเราก็เหมือนกันนะมันก็จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ในชีวิตที่เราเจ็บปวดนะและเราก็ถึงกับซาบสึง ไม่อยากจะไปเจอไม่อยากจะหวนกลับไปอีกเพื่อไปเจอเหตุการณ์นั้นไม่แม้กระทั่งอยากจะนึกถึงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะเกิดความซาบซึ้งขอบคุณเหตุการณ์นั้นแล้วก็ภูมิใจตัวเองที่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นธรรมิยะตาก็เหมือนกันนะสหรบับบางคนที่รู้สึกดีใจว่า การเดินนะอันแสนยากลำบากมันจะยุติสักทีตอนนี้ จ, จะนึกไม่ออกว่าเราได้เรียนรู้อะไรหรือมันให้อะไรกับเราแต่ว่าผ่านไปหปี1ิปีหรือ20ปีเมื่อมองย้อนกลับมาที่ธรรมยาตราไอความรู้สึกเจ็บปวดมันจะแปลเปลี่ยนไป มาจะกลายเป็นความทราบซึ้งก็ได้แล้วก็รู้สึกมีความสุขนะที่ได้ย้อนระลึกนึกถึงเหตุการณ์นั้นเวลาเจอเพื่อนที่ร่วมเดินธรรมยาตตาครั้งนั้นก็หดไม่ได้ที่จะมาเล่านะเล่าสู่กันฟังเมื่ออาตมาสมัยอยู่อสสมชัญเนี่ยนะเป็นเด็กนักเรเียนปถมมทือมก็ดีนะโยกมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับครูหลายคนเลยนะ พอครูที่นั่นก็หลายคนก็ดุแล้วก็ตีตีตีแต่ถึงวันนี้เนี่ยเวลาเราเจอเพื่อนเก่าๆที่เรียนด้วยกันผ่านประสบการณ์มาด้วยกันเนี่ยเรารล่ถึงเหตุการณ์แบบนั้นด้วยความตลกขบขันนะด้วยความสนุกด้วยความประทับใจนะแล้วก็ขอบคุณครูเหล่านั้นที่ได้ให้ประสบการณ์ดีๆกับเราเขี่ยเข็นเรา แต่ไม่ต้องรอให้เวลาผ่านไป40ปี50ปีนะเราถึงจะมองย้อนกลับไปเหตุการณ์นั้นด้วยความรู้สึกประทับใจเราสามารถจะใช้เวลาสั้นกว่า น, นั้นได้ก็หวังว่าธรรมยาตาเนี่ยนะแม้ว่าหลายคนจะรู้สึกเจ็บปวดนะรู้สึกทุกข์นะแล้วก็ไปถึงขั้นเค็ดหลาบนะแล้วก็จะ แค้นใจนะคนที่พามาหรือคนที่ร่อลอกให้มาแต่ว่าในกี่ปีผ่านไปจะรู้สึกขอบคุณนะเพราะอย่างในน้อยเนี่ยเชื่อว่าหลายคนจะได้เพื่อนใหม่นะธรรมยาตาเนี่ยมันทำให้เกิดมิตรภาพนะในหมู่คนซึ่งยากเธอจะมีโอกาสมาเจอกันยากที่จะ มาโคจรมาเจอกันถ้าไม่มีธรรมญาตาิตาและทําให้เกิดมิตรภาพที่นั่นแฟนนะแล้วก็บอกอ่อยครั้งเนี่ยเวลาเวลาเจอกันนะอาจจะเจอกันกลางในห้างดังในร้านกาแฟกลางกรุงอดไม่ได้ที่จะคุยประสบการณ์ความยากลาบากของธรรมญาตาิตาและความยากลาบากนี่แหละนะมันเชื่อมมันเชื่อมเขา ให้เข้า ม, มาใกล้ชิดกันแล้วก็เชื่อว่าความยากลำบากมันก็เชื่อมพวกเราเหมือนกันนะให้มาใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะว่าความยากลำบากมันทําให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นเพื่อนทุกนะแล้วความเป็นเพื่อนทุกเนี่ยนะมันมันมันสามารถจะเชื่อมโยงนะสัมพันธภาพให้แน่นแสนบางทีเพื่อนสุขนี่ยังไม่ยังไม่ กระชับแน่นนะเท่ากับเพื่อนถูกนะแล้วก็ธรรมยาตราเนี่ยตลอดอ่ปีที่ผ่านมารู้สึกแปครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเลย น, นะว่ามันทำให้มิตรภาพนะของหลายคนเนี่ยกระชับแน่นขึ้นยังไม่ต้องพูดว่าหลายคู่ก็ได้แต่งงานนะมีชีวิตคู่ด้วยกันนะมีเยอะทีเดียวนะ นั่นก็คือนะผลได้เราผลพลอยได้ก็ได้ของธรรมญาตราแต่อย่างเที่รรมมาบอกนะสิ่งสําคัญคือว่ามันน่าช่วยทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับชีวิตทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เทศมาเรียกว่าวิชาชีวิตได้มากขึ้นและที่สําคัญอิประการนะคือมันทําให้เราเนี่ยเกิดความศรัทธาในความภาคเพียนพยายาม ของตัวเองพุทธศาสนาเนี่ย น, นท่านสอนให้พึ่งตัวเองแต่การพึ่งตัวเองเนี่ยนะที่สำคัญคือการพึ่งความเพียรของตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ร่วมทุกแต่เพราะความเพียรและคนเราเนี่ยควรจะควรจะมีความเพียรในในเรื่องต่างๆที่ดีงามแม้ จะมองไม่เห็นความสําเร็จเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราก็ปรารถนาความสําเร็จลหลายคนเนี่ยไปผูกติดกับความสำเร็จเอาใจไปผูกติดความสําเร็จมาจกจนกระทั่งถ้าไม่มีทางสําเร็จหรือไม่มีไม่เห็นช่องทางจะสําเร็จก็ท้อแท้งอมืองอเท้าแต่พุทธศาสนาท่านเน้นว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันดีมีประโยชน์แม้จะมองไม่เห็นความสําเร็จก็ขอให้ทำเถอะ ตัวอย่างที่ดีก็คือตัวอย่างของพระมหาชนกนะพระมหาชนกเนี่ยพวกเราคงทราบดีอยู่นะเป็นพระโพธิสัตว์หรือเป็นอดีตเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าก่อนที่พรทรงค์ัดสรุพระสัมมาสัมพุทธิยานเนี่ยก็ได้ผ่านในพพชาติต่างๆมามากมายแล้วก็ชาตินี้คือเป็น พระมาชนกพระมาชนกนี่ก็จริงๆเนี่ยก็ก็คือมาชนกนะแต่ว่าพระนี่เติมมาทีหลังเพื่อเป็นการยกย่องฉากสาคัญเหตุการณ์สำคัญก็คือตอนที่เรือกลางสมุทรนะมันแตกกลางทะเลเรือเดินสมุทรมันแตกกลางทะเลและพระมาชนกเนี่ยก็อยู่ในเรือลำนั้นเพราะนั้นเนี่ยพอเรือแตกก็ต้องลอยคอยอยู่กลางทะเล ก็มีไม้ให้เกาะ อ, อยู่เมื่อลอยอยู่กลางทะเลสิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือไหว้น้ำเข้าหาฝั่งถ้าไม่เห็นฝั่งนะแต่ก็ไหว้ไหมาทั้งวันก็ยังไม่เห็นฝั่งก็ยังไม่ท้อก็ไหว้วันที่สองวันที่สวันที่สยังไม่เลิกไหว้ทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเลย เพราะว่าเนี่ยเจ็วันแล้วก็เจ็คืนด้วยนะจนกระทั่งพระอินทร์เนี่ยร้อนอาดก็เลยสั่งให้นามณีแม่ขลาเนี่ยมาช่วยเพราะนามณีแม่ขลาเนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่พิทักษ์ปกป้องคนดีกลางสมุทรนามณีแม่ขลาเนี่ยเมื่อเห็นพระมาชนกเนี่ยแทนที่จะเข้าไปช่วยเลยเนี่ยกลับมีความสงสัยว่าทําไมพระมาชนกเนี่ย ไหว้น้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยที่หมอเมนฝังก็เลยถามว่าท่านทําไปทําไมในเมื่อมองไม่เห็นฝั่งพระมาชโนกบอกก็บอกว่าเพราะเห็นประโยชน์ของความเพียรไงดาวมันนี้เมฆะเราก็ถามตอไปว่าเนี่ยเพียรทําไมในเมื่อมันตายแน่เนี่ยเพราะไม่เห็นมีฝั่งพระมาชโนกก็ตอบว่าคนเราดแม่ทําความเพียรแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะตายก่อนเนี่ย ก็ไม่อายเทวดานะแล้วก็ไม่อายญาติพี่น้องเพราะถือว่าได้ทำเต็มที่ แ, แต่พระมาชนก็พูดต่อไปว่าขึ้นชื่อว่าการทำสิ่งที่ดีมีมประโยชน์เนี่ยเมื่อทำความเพียรผลมันย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือพระมาชนกเนี่ยนะแม้มองไม่เห็น ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จแต่ก็ยังทำนะเพราะเชื่อว่าการทำเนี่ยย่อมส่งผลสุดท้ายเนี่ยนาวิเมฆคาะก็ยอมแพ้ต่อเหตุผลของพระมาชนกนะก็เลยช่วยพระมาชนกพาขึ้นฝั่งเรื่องนี้ก็ก็ดูเหมือนว่าจะจบลงได้ดีตรงที่ว่าเมื่อทําความเพียรแล้วนะผลแห่งความเพียรย่อมปรากฏ ก็คือมีคนมาช่วยแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยนะผลในความเพียรนี่มันมันเกิดขึ้นได้ยากมากหรือว่ามันแทบจะไม่เห็นผลเลยแต่ก็ไม่ควรท้อนนะในทางบูราศาสนานนถือว่าให้ทำเต็มที่อย่าไปสนใจผลท่านแช้ค็ว่าเนี่ยให้ประกอบเหตุให้ดี อย่าไปสนใจผลเพราะว่าถ้าทำเหตุดีผลมันย่อมปรากฏเองอยาครูบาอาจารย์ันนั้นท่านก็บอกเนี่ยให้ให้ทำความเพียรนแล้วผลมันย่อมมันจะมันยอ่มนยอมทนไม่ได้นะมันย่อมปรากฏดงนั้นสิ่งที่เราควรทำนั่นคือว่าอย่าไปสนใจจุดหมายมากนะขอให้ทำความเพียรให้เต็มที่เหมือนกับที่เราเดินธรรมญาตาิเนี่ยธรรมาก็เน้นอยู่เสมอนะว่าอย่าไปสนใจเป้าหมาย ให้เราสนใจแต่ละก้าวแต่ละก้าวถ้าเราเดินไม่หยุดเนี่ยมันถึงแน่ที่หมายเนี่ยมันถึงแน่ถ้าเราเพียนไม่หยุดแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราเอาใจไปจดจ่ออยู่ที่จุดปลายปลายทางมันก็อาทําทให้เราท้อก็ได้เพราะว่ามันไม่ถึงสักทีมันไม่ถึงสักที ส, กทสิ่งที่มนุษย์เราทำได้เนี่ยคือการทําความเพียน แต่ว่าผลจะถึงหรือไม่เนี่ยมันก็มีเหตุปัจจัยมากมายอย่างหลายคนเนี่ยนะตั้งใจจะเดินให้ถึงเนี่ยแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกกลางคันเพราะป่วยบ้างแหละนะเพราะว่าญาตินะผู้ใหญ่ตายกระทันหันหรือว่าพ่อป่วยหนักอันนี้ก็เรียกเป็นเหตุปัจจัยที่คุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราคุมได้เนี่ยก็คือ ความเพียรของเรามมนมีภาษาจีนบอกว่าความพยายามอยู่ที่มนุษย์นะความสาเร็จอยู่ที่ฟ้าสิ่งที่มนุษย์เราคุมได้คือความเพียรของเราเองส่วนความสาเร็จเนี่ยเราคุมไม่ได้นะมันอยู่ที่ฟ้าเนี่ยฟ้าเป น, นที่นึหมายถึงเหตปัจจัยต่างๆมากมายก็อย่างที่ยกตัวอย่างนะว่าตั้งใจจะมาให้ถึงเนี่ยแต่ว่ามันมาไม่ถึงอ่ะนะเพราะว่าพ่อป่วย นะอา่าตายหรือตัวเองป่วยเองแต่ว่าขอให้เราได้ทำความเพียรอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะแล้วก็แน่นอนนะว่าพวกเราที่มาถึงนี่นะก็เพราะความเพียรนะมันไม่ใช่โชคนะโชคก็มีส่วนบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราเกิดเจ็บป่วยเราคงจะมาไม่ถึงแต่ว่าโชคนี่เป็นส่วนน้อยสิ่งที่ สิ่งที่สําคัญคือความเพียรของเราอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะพึ่งความเพียร ง, งเราให้มากขึ้นแล้วก็พึ่งโชคให้น้อยลงแล้วคนไทยเนี่ยเวลาเวลาอวยพรเนี่ยเรามักจะอวยพรว่าอะไรขอให้โชคดีอตัตมาประทับใจคาําอวยพรคนญี่ปุ่นนะค น, คนญี่ปุ่นเขาจะอวยพรว่ากัมบัตเตขอให้มีความเพียรอย่าท้อถอยขอให้สู้ๆนะ ถ้แปลเป็นไทยสมัยนี้คือสู้ๆพ่อแม่นี่ก็จะเวลาลูกจะไปสอบก็บอกว่าให้กรรบัตเต้แล้บางทีอาจารย์เจอลูกศิษย์ที่ไม่เจอกันมานานก็ถามว่ายัางกรรบัดเตะอยู่ไหมไม่ถามว่าโชคดีนะเมืองไทยเราเป็นเมืองที่รับถือพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาความเพียรมีชื่อหนึงว่าวิทยาวาสก็คือคําสอนที่เน้นเรื่องความเพียนนะรยาายแต่แปลกนะเวลาเราอวยพรเราอวยพรให้โชคดีโชคดีนะ คนญี่ปุ่นเนี่ยแม้เขาจะดูเหมือนว่าไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแล้วเวลานี้แต่ว่าก็ยังอวยพรกันอยู่แล้วนะขอให้มีความเพียรขอให้สู้ต่อไปอัตมาเคยเดินนะเดินเดินจาริกไปที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณหนึ่งอาทิตย์นะจุดหมายคือนากาโนซึ่งเป็นเมืองที่คนไทยไปทำงานเยอะตอนนั้นก็ไปก่อสร้างสนามกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวณจุดที่นากาโน ก็มีผู้สื่อข่าวไปทำข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์คนที่นั่นก็รู้เดินไปบางทีก็มีคนเอาขนมมาใส่บาตมาถวายขนมปังกันนะมีวันหนึ่งตอนที่เดินใกล้ถึงนักกโน่เนี่ยก็มีรถคันนึงแล่นผ่านมาแล้วก็พอใกล้ถึงคณะของเราเนี่ยก็มีเด็กอายุประมาณสิกขวบผู้ชายโพหัวออกมาจากหน้าต่างตะโกน กัมบเตะทีละนึกว่าจะาด่าเรากับกัมบัตเตะชมกับเชียนะคอย ส, สู้สู้ส mm ู้เนี่ยขอยเราเนี่ยมีถ้าวัาธรรมญาตานี่มันทําให้เราเห็ น, นคุณค่าของความเพียรเนี่ยโันี้ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยนะ mm hmm. ได้ประโยชน์จากธรรมญาตาน mm ี hmm. ่ความเพียรนี่มันทําให้เราสามารถทําสิ่งที่ ทำได้ยากหรือว่าบางทีทำให้เราทำสิ่งที่เป็นปฏิหารก็ว่าไดนะ้วันก่อนก็ได้พูดไปแล้วนะคนที่ขับเครื่องบินแล้วก็ไปตกอยู่บนเทืเอกเขาแอนดิสก็จจะตายไม่ตายแลนะ้วแต่สุดท้ายก็ใช้ความเพียรเนี่ยพาตัวเองเนี่ยเดินทีแรกว่าจะเดินได้แค่ร0 0เมตรจะขึ้นไปตายบนภูบนก้อนหินนะเพื่อให้คนหาศพได้ง่าย รูกเมีจะได้ไม่ลำบากได้เงินประกันชีวิตแต่พอเดินไปได้ร้อยเมตรถึงหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นบอกว่ามีกำลังเดินไปไอีก90กิโลอังทีทีแรกนี้ตั้งใจว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตายแน่า้ามันมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นเรื่องที่เชี่อถึงความเพียรซึ่งน่าทึ่งมากนะเป็นเรื่องของคุณป้าเกาหลีคนหนึ่ง ออกมาได้เรื่องราวได้ฟังเรื่องราวของคุณป้าในตอนตอนปี52เกือบเสร็จปีมาแล้วตอนนั้นประมาณเดือนกุมภาเ ร, เรื่องของเรื่องคือคุณป้าเนี่ยแกขายผักนะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็จะมีมีรถรับจ้างเนี่ยช่วยส่งผักให้คุณป้าแต่ตอนหลังเนี่ยคุณป้าแกต้องขับรถเองอันนี้ไม่ทราเหตุผลนะไม่รูอ้อาจะเพื่อลดค่าใช้จา่ายหรือเวราหาคนขับไม่ได้ แต่แกไม่มีใบขับขี่นะแกต้องไปสอบใบขับขี่แกสอบข้อเขียนแกสอบแกสอบภาคปฏิบัติเนี่ยแกผ่านแต่สอบข้อเขียนแกไม่ผ่านมีคำตอบมีคำถาม50ข้อถ้าแกตอบแด้30ข้อแกก็ผ่านล้ว 60% แต่แกสอบยังไงยังไงแกก็ไม่ผ่านข้อเขียนนะตอนที่เป็นข่าวเดือนกุมภาห้าส52เนี่ยแกสอบไปแล้วนะ775ครั้ง แล้วแกไม่เลิกสอบนะแกยังสอบอีกเรื่อทุกวันเว้นวันเลยบอกว่าได้ขา่าวทีเดินพฤศจิตก่อนธรรมญาติตราแกสอบผ่านแล้วแกหลังจากที่สอบได้950ครั้งที่ดูสีนนะ่ยโห่เนี่เพียนจริงๆเลยนะเราเนี่ยนะคนเราคนไทยเราเนี่ยสอบสามครั้งไม่ได้ก็เลิกแล้วนะ ไปซื้อเอาดีกว่าหรือไม่ก็ใช้เส้นนะขอนําบัตรไทยสักคนที่ดังๆหน่อยนะเพื่อจะได้สอบได้แต่นี่แตมเกาหลีนี่มันทำงั้นไม่ได้นะมันต้องใช้ฝีมือเจ้าที่คุมสอบบอกอยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงคุณป้าแกก็ไม่ต้องกายไขชวนแกก็จะสอบแกก็สอบทุกวันแกแกเนี่ยแกไม่ท้อเลยนะสอบร้อยครั้งไม่ไม่ได้นี่แกก็ยังยังสอบอยู่เพราะแกเชื่อว่ามันต้องได้สักวันหนึ่งนะ หรือแกจะคิดว่าคิดเหมือนพระมหาชมนกก็ได้หรือว่าขอให้ทำเต็มที่แล้วกันได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งตามใดที่กูยังมีแรงอยู่กูจะไปสอบไปทุกวันทุกวันหรือวันเว้นวันนะแกสอบมา3ามี่ปีนะเพราะว่าไอ้แกสอบวันเว้นวันเนี่ยนะมันก็คือปีหนึ่งก็คงจะสอบได้ประมาณสักสองรครั้งอย่างมากนะแต่แกสอบไปเกือบพันครั้งแต่ว่าแกสอบเนี่ยประมาณ3 4ปีเนี่ยโอ้นี่แล้วว่ามีความเพียนมากเลย นะซึ่งชะตาของแกอาจจะบอกว่าแกสอบไม่ได้แต่ว่าแกก็ไม่ยอมแพยแพ้ต่อชะตาเนะอะ น, นึกถึงคุณป้าอย่างนี้เอาไว้บ้างก็ดีนะถึงแม้ว่าเราจะทําจทำไม่ได้แบบแบบคุณป้านะแต่ว่ามันทําให้เราเห็นว่าคนที่คนที่ข ย, ยันนะแล้วไม่ท้อแล้วก็ไม่ไม่ยอมแพต้ต่อตอกประสบและจิตใจก็คงจะไม่ได้ ยึดมั่นถือมั่นกับผลของความสําเร็จมากหรือผลของการสอบมากเพราะถ้าแกยึดมั่นถือมั่นกับผลการสอบแกสอบห้ครั้งไม่ได้แกก็ท้อแล้วแต่แกไม่ยึดมั่นถือมั่นมากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแกถือกติไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ถ้ายึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นะถ้าไม่ได้สัก10ครั้ง20่สิครั้งก็เลิกแล้วเพราะว่าผิดหวังมากยึดมั่นมากก็ถ้าไม่ได้ก็ผิดหวังมากผิดหวังมากก็เลิกหรือทอเร็ว ไม่เป็นไรก็ดีนะนักเรียน ร, รุ่นรุ่นเพื่อพัฒนาก็เอาไปเอาไปใช้นะเอาแล้วก็อพอสมควรแล้วนะก็คำนี้ขอยุตดดิเท่านี้เพราะจะมีกิจกรรมอีกหลายอย่างกับพ้าพร้อมกัน